วันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่เป็นวันดับเดือน10ใช่ไหมวันนี้เป็นวันพระใหญ่วันดับเดือน10อีกครึ่งเดือนก็ออกพรรษากลางเดือน11กลางเดือน11 ด, ดนี้ก็ออกพรรษาออกพรรษานี้ประวารณาตอนไหนประวารณา ประสงค์ทำสังฆกรรมประวารณาทำสังฆประวารณาแทนสวดปฏิโมกก็เป็นธรรมเนียมว่าเราข้าพรรษาตลอดระยะเวลามาจนออกพรรษาสามเดือนเป็นเวลาที่พวกเรานิยมบวชลูกบวชหลานวัดใดวันหนึ่ง ก็ได้อยู่จำพรรษาได้ฝึกฝนอบรมบ่มจริตนิสัยของตัวเองขาดเก่าจริตนิสัยสันดานคำว่าสันดานนี่เป็นภาษาบาลีนะเป็นภาษาพูดทับศัพท์สันตานสันดานสันดา น, น, ดานจริตนิสัยสันดานของเราให้เป็นผู้ มีจิตใจอ่อนน้อมไปกับศีลกับธรรมเพราะการที่ทําใจให้อ่อนน้อมไปกับศีลกับธรรมนั้นมันเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวเองเป็นการสร้างเหตุที่ถูกต้องดีงามเพื่อยังความประโยชน์คือความสุขความเจริญให้กับจิตใจของตัวเองอย่างแท้จริง และก็เป็นที่นิยมไม่ใช่ว่าเฉพาะพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาก็นิยมขอวัดรักษาวบวชสดศิลป์โดยเฉพาะวัดเรานี้เราก็ให้มีเฉพาะในรรษานอกภรษาไม่ค่อยมีผู้ที่จะมารักษาวบวชสดศิล์ไม่มีนอกจากผู้ที่จะเข้ามาอยู่วัดเป็นการเป็นคราวรักษาศิลป์ชิ้นแปด สินห้าสินแปดผู้ที่อยู่ไปจำรักษาสินแปดแต่ไม่ใช่ว่านอกคนสาเราจะรักษาไม่ได้ถ้าเรารักษาได้ตลอดก็ยิ่งดีเยี่ยมการตั้งใจรักษาสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นการสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองอย่างวันนี้เราพากันไปกราบลุงปู่ยันเหลียนท่านเล่าประสบการณ์อย่างนั้นให้ฟังอย่างนี้ให้ฟัง ก็เป็นจริตนิสัยของท่านเพราะท่านสังสมสิ่งเหล่านี้มามากต่อมากมีคุณสมบัติในใจมากต่อมากกว่าจะได้มาเล่าให้พวกเราฟังพวกเราได้ยินได้ฟังและมีแก่จิตแก่ใจบ้างไหมที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองหากเกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนท่านอยู่แต่ทำไมทำแล้วฝืดแลือเกิน ทำแล้วขัดเลอะเกินทำแล้วก็เหี่ยวแห้งฝืดเครื่องเลอะเกินมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราสร้างเนื้อสร้างตัวเหมือนกับเราทำมหากินสะสมนั่นแหละซัพพายนอกซัพพายในก็เช่นเดียวกันซัพพายนอกเราเริ่มก่อร่างสร้างตัวมันก็ฝืดเครื่องเป็นธรรมดา เพราะเรามีทุนน้อยเรามีกลุ่มน้อยเรามีหมู่น้อยเรามีสติปัญญาน้อยเราก็ค่อยๆทำไปสะสมไปว่าแต่ตั้งอกตั้งใจทำไปไม่หยุดไม่หย่อนทรัพย์เหล่านั้นก็ค่อยจะค่อยๆเจริญทรัพย์ภายในก็เช่นเดียวกันรูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังเพื่อเป็นคติเป็นตัวอย่างให้พวกเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนท่าน เราฟังแล้วเราได้สาระเราได้คติแต่เป็นผลงานของท่านทั้งนั้นเท <c oughs> ่าที่เราฟังดูหากบางคนมีจริตนิสัยและเป็นไปตามท่านอยู่บ้างเออเออใช่อันนั้นเออใช่เออใช่อย่างที่ท่านพูดอย่างนั้นโอ้ใช่เอ้ใช่ใชท่านพูดถึงคุณสมบัติภายในใจของท่านความรู้แปลกแปลกความ อัศจัรย์ในใจของท่านสิ่งเหล่านี้ก็มันก็เป็นไปตามพื้นเพยชนินี้ใสดังเดิมนั่นแหละตามความปรารถนาดังเดิมตามบุพกรรมดังเดิมที่ได้สร้างสมบบรมมามีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นมีจิตใจเด็ดเดี่ยวตั้งใจจริงทำจริงได้รับผลจริงๆท่านพูดเหล่านี้ถึงจิตถึงใจเราไหม ท่านบอกว่าทั้งตั้งใจทํำตั้งใจทําจริงๆได้ผลจริงๆเห็นผลทันตาได้ผลจริงจรเป็นเรื่องที่มาทิมแทงหัวใจของเราว่าโอ้เราทําไม่จริงเราไม่ได้ทําจริงจังตั้งใจทําจริงทําจังเหมือนท่านท่านทั้งท่านทำจริงขนาดไหน ทำจริงขนาดเอาเป็นเอาตายเข้าสู้ครูบาอาจารย์องค์ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละเอาเป็นเอาตายเข้าสู้เห็นคุณค่าของธรรมเวลาทาไปแล้วทาไปแล้วทำพร้อมที่จะเกิดทมพร้อมที่จะเกิดกำลังใจเต็มที่ทิ้งเลยร่างกายนี่คำว่ า, าทิ้งก็คือสละตายนั่นแหละคือทิ้ง ทิ้งไปเลยกว่าจะเข้าถึงความดี ด, ดีวิเศษวิโสเนี่ยก็ถึงกับต้องทิ้งจิตใจมันทิ้งไม่ห่วงใยอะไรอวบนอะไรแหละตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาเป็นเอาตายเข้าใส่เลยเห็นโทษเห็นภัยจริงจังคุณสมบัติเหล่านั้นกว่าจะเกิดขึ้นภาในหัวใจต้องตั้งอกตั้งใจถึงขนาดนั้นอืม เวลาบันปลายสุดท้ายบันปลายสุดท้ายส่งผลแตกดอกออกผลเบ่งบานเต็มที่ก็เป็นที่พึ่งเกิดตัวใจของทุกคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาใครก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ก็ได้รับผลได้รับประโยชน์สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการตั้งใจอบรมสั่งสมทั้งนั้นเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดียวที่ทำให้เราเดินไปสู่ความบ่อทิ่สุดคือเส้นทางอริยมรรคมียงแปดสรุปลงมาก็คือสินสมาธิปัญญาที่ท่านพูดเอาไว้ท่านตรัสเอาไว้สิ่งเหล่านี้เป็นหลัก เป็นหลักที่เราใคร่ครวนคำนึงตรวจสอบเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นชิ้นส่วนที่เราพึ่งพาอาศัยประกอบกิจการงานที่เราพยายามทำเพื่อให้เกิดให้มีให้เป็นไปเหมือนอย่างท่านเริ่มตั้งใจรักษาอบรมอบรมบ่มสินเพาะสินให้เกิดขึ้นมีขึ้นที่จิตของเราตั้งอกตั้งใจเพราะเรื่องของการอบรมนั้นอืม เรื่องเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินั้นต้องมีการอบรม ท, ที่เรียกว่าอบรมมกักเจริญมกักเดินตามมากักการอบรมก็คือการลงมือทำนั่นแหละลงมือทำตามเหตุตามที่ท่านพูดเอาไว้สิห้านะสิแปดนะสิสิบ น, นะน 10, นะของสัมณนสิสองรยี่ิบ2จดนะ ตั้งใจศึกษาแล้วก็วิรัตงดเว้นตามองศ์นั้นนั้นๆ น, น, นี่เริ่มและเริ่มตั้งใจฝึกฝนอบรมแล้วเพราะการรักษาศีลการอบรมศีล น, นั่นอนะ่ะมันเป็นการปิดช่องทางของบาปกรำทั้งหลายทั้งปวงเป็นการปิดช่องทางของกิเลสที่จะพึงเข้ามาแทรกมาทับถมให้ทะลักทะลวงออกมาทางกายทางวาจา เป็นการรักษากายกรรมเป็นการรักษาวจีกรรมนี่ต้องลงมือทำนะอยู่เฉ ย, เฉยเฉยไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีข้อวิรัติไม่มีข้องดไม่มีข้อเว้นมันเป็นการไม่ได้สร้างเหตุมันเป็นการไม่ได้สร้างเหตุเมืเ่อเราไม่ได้สร้างเหตุผลที่ไหนมันจะตามมาผลที่ไหนจะมีเป็นไปไม่ได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเกิดจากเหตุมีได้เพราะเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุแค่การตั้งใจรักษาศีล น, นี่ก็เป็นการสร้างเหตุเริ่มสร้างเหตุในทางที่ดีและเป็นการสร้างเหตุถูกต้องดีงามมากำกับให้เป็นการรักษากายกรรมของตัวเองให้บริสุทธิ์รักษาไว้จีกรรมคือคำพูดของตัวเองให้บริสุทธิ์ให้เป็นไปตามหลักของศีลของธรรม อย่าลืมว่าศีลก็เป็นทั้งศีลก็เป็นทั้งธรรมศีลเป็นธรรมด้วยเป็นศีลด้วยในตัวเป็นบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติเป็นการมาระงับปิดบังบาปอักกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่จะพึงเกิดขึ้นจากกิริยากายของเราจากกิริยาคำพูดของเรานี่เป็นการอบรม เดินตามองของมรรคอริยมรรคเดินไปสู่ความเป็นอริยมรรคมรรคมีองค์ดสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวในอริยมรรคมีองค์ปดสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโว สัมมาไวจาก็คือพูดชอบสัมมากรรมโตก็คือการงานชอบการงานที่จะพึงกระทํำด้วยกายสัมมาวายาโมสัมมาสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตชอบนี่ก็เป็นองค์ศิลเลี้ยงชีวิตชอบก็คือเลี้ยงชีวิตในทางที่สุดจริต สิ่งที่จะพึงได้มาเลี้ยงชีวิตจะเป็นอาหารก็ตามเสื้อผ้าผ่อนเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยตลอดจนยารักษาโรคงานการทั้งหลายทั้งปวงดิบดีที่เราจะพึงได้เราได้โดยวิธีที่ชอบอได้โดยวิธีที่ชอบวิธีที่ชอบก็คือวิธีที่ได้โดยระบบโดยระเบียบโดยเงื่อนไขโดยความรู้ความสามารถ ของเราสามารถทำได้เองไม่บิดไม่เบี้ยวไม่ปีนเกลียวกับระบบกับระเบียบหรือการสแสวงหาให้ได้มาซึ่งอาหารก็ได้มาอย่างถูกต้องตามศีลตามธรรมเสื้อผ้าอาภรณ์สมผเราพูดง่ายคือสแสวงหาทรัพย์ได้สแสวงหาเงินเงินเป็นที่รวมของปัจจัยสี่พอได้มาแล้วเราก็าไป หาอาหารก็ได้เสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่อาศัยตลอดจนยารักษาโรคตลอดจนสิ่งดิบดีอะไรอย่างอื่นเราแสวงหาได้ได้โดยเอาสิ่งเหล่านี้ไปแลกเปลี่ยนนี่ได้มาในทางที่ชอบได้มาด้วยน้าพักน้ําแรงของตัวเองอไม่คดไม่โกงไม่ลักไม่ขโมยไม่บิดไม่เบี้ยวเพื่อได้มาอันนี้ ท, ที่ท่านเรียกว่า สัมมาอาชีวโอเลี ouais. are, ้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตชอบแบบโลกเลี้ยงชีวิตชอบแบบธรรมก็คืออยู่กับศีลกับธรรมเอาศีลธรรมมากากับที่ใจหลวงตาท่านบอกว่าสมมาอชวเลี้ยงเลี้ยงชอบแบบโลกเลี้ยงชอบแบบธรรมเลี้ยงชอบแบบธรรมก็คือความเป็นอยู่ของจิตวงจรของจิตเป็นอยู่ด้วยกระแสธรรมนี่ก็เป็นการเลี้ยงเลี้ยงธรรม เป็นเป็นอยู่โดยธรรมสัมมาวายาสัมมากรรมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาวาย า, าชอบไม่พูดเท็จพูดยาพูดส่อเสียดพูดเพยเจอรสัมมากรรมันโตการงานชอบการงานชอบคือการงานที่ประสจาธการเบียดเบียนการงานที่ประสจาธการเบียดเบียนเช่นอย่างการ เลี้ยงสัตว์เนี้ยเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารนี่ก็ไม่เป็นการสัมม า, ากรรมโตแล้วก็ไม่เป็นสัมมาอิชิโวด้วยเลียงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่เลี้ยงหมูค้าขายสัตว์เป็นไม่สัมมาอาชีโวไม่สัมมากรมมโตการงานที่มีโทษ โดยประิจากการถูกต้องตามศีลตามธรรมจะเรียกว่าการงานที่มีโทษไม่เป็นการงานชอบแล้วก็ได้มามาเลี้ยงชีวิตก็ไม่เป็นสัมมาชีวโวเพราะฉะนั้นเรื่องศีลจึงเป็นเรื่องที่สามารถประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นแล้วทําให้กายกรรมของเราบริ ส, สุทธิ์วิจีกรรมของเราบริ ส, สุทธิ์ไม่มีเวรมีภยัยมีบาปมีกรรมกับ กับใครกับสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้มีจิตใจสะดวกสบายแล้วเวรกรรมทั้งหลายที่จะมาคอยตอบสนองภายในหัวใจของเราก็มีน้อย น, นี่เฮ่หนทางให้พระพุทธเจ้าท่านส่งวางเอาไว้ในองค์มรรคสินสมาธิสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิสินสมาธิ สมาธิในหลักอริยมรรคมีองค์แปดที่ท่านพูดเอาไว้สมาวายโมสำมาสติสมาสมาธิสมาวายโมคือพยายามชอบพยายามพยายามชอบพ ย, พยายามทกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดพยายามรักษากุศลที่เกิดแล้ว เอาไว้พยายามไม่ให้อกุศลเกิดอกุศลที่เกิดแล้วมีแล้วให้พยายามละภาวนาประทานประหารประทานสังวรประทานสังวรประทานประหารประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทาน สังวรประธานคือระวังบาปไม่ให้เกิดบาปเก่าที่เกิดขึ้นมีแล้วประหารประธานเพียรละเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดเพียรละบาปที่มีแล้วเพียรให้กุศลเกิดเจริญกุศลกุศลที่มีแล้วเพียรรักษาเอาไว้นี่เป็นความเพียรในอริยมรรสมาวายโมสัมมาสติก็คือสติชอบระลึกชอบอ่า อย่างที่พวกเราระลึกทำนุนทำนี้ทำอะไรเป็นอาจินกรรมในการทำมหากินอยู่ท่านไม่เรียกว่าระลึกชอบการระลึกชอบตามหลักอริยมรรคมีองค์แปนั่นคือระลึกในกายระลึกในเวทนาระลึกในจิตระลึกในธรรมที่เรียกว่ามหาสติมหาสติมหาสตินี่แปลว่าระลึกชอบสัมมาสติเนี่ย ระลึกชอบระลึกชอบในองค์ของมหาสติปัฏฐานอันนี้เป็นหลักนะทั้งหมดที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นหลักเป็นหลักเป็นขั้นบันไดที่เราเริ่มศึกษาเริ่มเกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้ววางจิตของเราให้เป็นไปตามนี้นี่ถูกต้องตามหลักที่ท่านปลูกฝังเอาไว้สัมมาสติระลึกชอบหมายถึงระลึกในมหาสติปัฏฐานทั้งสี่ เช่นอย่างเราระลึกกายเราไล่เกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายอันนี้ก็เป็นกายานุปัสนาเป็นกายานุปัสนามีสติกำกับมีสัมปชัญญะกำกับทำไปเรื่อยๆเด้อทำกลับไปทำกลับมาทำกลับมาทำกลับไปจนกลายจนเกิดเป็นปัญญาจากพื้นๆการใช้สติใช้ปัญญาพื้นๆทำดาจนกลายเป็นปัญญา ทำมากๆเข้าจนเป็นปัญญาเป็นปัญญาญานเป็นวิปัสนาเป็นวิปัสนาญาณเนี่ยคือสัมมาสติระลึกกายระลึกเวทนาเวทนาก็คือร่างกายเจ็บปวดเช่นอย่างเรานั่งภาวนาเมื่อกี้ในชั่วโมงกว่าเนี่ยร่างกายของเราก็เจ็บก็ปวดปวดหลังปวดเอวปวดตะพกปวดหลังเท้าปวดไหล่เงี้ย แล้วแต่บางคนปวดปวดจะปวดไม่เหมือนกันเลยเพราะเรานั่งไม่เปลี่ยนเรานั่งไม่พลิกไม่เปลี่ยนมันก็ปวดเวลาปวดสมมติอย่างเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่พอเวลามันปวดขึ้นมาปวดหนักๆปวดเลือปวดเลือออดเลือทนเราก็พลิกเปลี่ยนมาที่ปวดมาพิจารณาเวทนาตามรู้ว่าเวทนาเวทนาให้พิจารณาเวทนาเวทนากืสักว่าเวทนา ไม่ให้เราไม่ให้ไม่เกิดเราไม่ให้มีเราในเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรทั้นนั้นเวทนาเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมีขึ้นโดยเหตุด้วยปัจจัยอย่างนี้อพอเวทนาเกิดขึ้นที่กายมันก็มาทิ่มแทงใจเพราะใจเป็นผู้รับรู้อแต่ด้วยเหตุที่เราไม่ค่อยใดพิจารณาแยกแยะทําให้เกิดความชํานิชํานาญ เราก็สาคัญมั่นหมายยึดเอาด้วยความสาคัญมั่นหมายว่าเราเราปวดเราเจ็บเราปวดเราปวดหลังเราปวดไหล่ทนไม่ได้ทนไม่ไหวป ว, ปวดตะโพวกปวดตรงไหนที่เรานั่งทับมันนา น, น, านมันก็ปวดแท้ที่จริงเวทนาก็สักถาวรเวทนาจิตเป็นผู้รับรู้เวทนาท่านให้ให้พิจ า, ารณาเวเวทนาสักถาวเวทนาเราไม่ได้ปวด ไม่มีเราไม่มีไม่มีเราในเวทนาไม่มีเวทนาในเราท่านให้พิจารณาเวทนานีเวทนากายถ้าเราพิจารณาเวทนากายไม่ทันมันจะทำให้เราใจของเราเนี่ดีใจทำให้เราใจของเราเนี่เสียใจคือไม่พอใจที่เวทนาเกิดนั่นคือเวทนาที่เกิดขึ้นที่จิตที่ใจเวทนาข้างใน เกิดขึ้นที่กายเป็นเวทนาข้างนอกเกิดขึ้นที่ใจเป็นเวทนาข้างในเวทนาลักษณะเวทนาข้างในมันจะมีลักษณะสองอย่างคือยินดีกับไม่ยินดีหรือยินดีกับยินร้ายพอใจก็ยินดียิ่งยินดีเท่าไหร่ก็ยึดเข้ามายินร้ายก็คือไม่พอใจไม่พอใจเท่าไหร่ก็ยิ่งผลักออกไป เหมือนอย่างจิตรับรู้ว่าร่างกายเจ็บปวดนะปกติมันชอบอยู่สบายๆไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดปัญหาแทรกเข้ามาที่ใจเป็นอยากอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดเนี่ยจิตใจมันอยากไม่เจ็บมันอยากไม่ปวดนี่เป็นเรื่องของของมหาสตินะเป็นเวทนาตามรูวเวทนากายเวทนาจิตกพิจารณาจิต อันนี้เป็นหลักใหญ่ๆพิจารณาจิตก็คือจิตมีราคะท่านกายกําหนดรู้ว่าจิตมีราคะจิตหายราคะก็ให้กําหนดรู้ว่าจิตหายราคะจิตมีโทสะก็ให้ระลึกรู้ทันว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะไอ้จิตมีจิตหายโทสะก็ให้ระลึกรู้ว่าจิตหายโทสะจิตฟุ้งซ่านจิตรําคาญจิตอิจฉาจิตริษยาจิตพยาบาทจิตขี้เกียจจิตขี้คร้าน จิตยินดีจิตยินร้ายนี่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของเวทนาใจเวทนาจิตจิตตานุปัจฉนาตามรู้จิตคือตามรู้กิริยาอาการ ต, าต่างเหล่านั้นมันเป็นเหตุแปลกไหมไอความรู้ของเราก็คือจิตแล้วก็เราตามรู้จิตเนี่ยมันเกิดความแปลกมันเกิดความแปลกเราไม่ต้องแปลกการที่เราตามดูจิตของเราก็คือเราใช้สติใช้ สัมพยยัจญาในปัจจุบันนี่แหละตามดูตามพิจารณามันคล้ายๆกับว่าความรู้มันซ้อนๆกันซ้อนความรู้ซ้อนความรู้ความรู้ซ้อนความรู้ความรู้มันละขณะของมันแต่ละขณะแต่ละขณะเช่นอย่างขณนะปัจจุบันละขณะที่มันล่วงไปแล้วแลนะ้วก็ขณะอันนี้ก็กําลังจะล่วงไปขณนะขณะปัจจุบันละขณะที่ผ่านไป ณปัจจุบันละขณะที่ผ่านไปเพระาะฉะนั้นจิตจะระลึกรู้อยู่อย่างนี้ยับยับยับยัเพราะฉะนัะ้นาการตามดูการตามพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้เท่าทันเพื่อไม่ให้กิเลสมันแทรกเข้าไปที่ใจไม่งั้นกิเละสแทรกเข้าไปที่ใจแล้วไปยินดีไปยินร้ายพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมก็ละเอียดลึกเข้าไปอีก พิจารณาเกี่ยวกับหลักอริยสัจสี่พิจารณาทุกพิจารณาสมุ ท, ทยัยเหตุให้เกิดทุกพิจารณานิโรธความดับทุกขพิจารณามรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอันนี้ท่านเรียกว่าพิจารณาธรรมแท้จริงทั้งหมดทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งตำก็คือการพิจารณาโดยความเป็นธรรมมันจะทำงานประสานกันไป เวลาทํางานเราแทบไม่ต้องแยกแยะเช่นอย่างเราก็หมดจดจ่อดูความเจ็บปวดร่างกายเจ็บร่างกายปวดเนี่ยเราก็ใช้จิตของเราจดจ่อดูพิจารณาดูดูให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจให้เห็นชัดเจนด้วยความรู้ของเราเองด้วยปัญญาของเราเองด้วยสติของเราเองว่าร่างกายเวทนาเกิดที่กายแท้ที่จริงแล้วกาย ก, ายก็ไม่ได้เจ็บ จิตเป็นผู้รู้ว่ากายเวทนาเกิดที่กายแท้ที่จริงจิตก็ไม่ได้เจ็บท่านว่าจิตก็ไม่ได้เจ็บเราลองดูให้เห็นว่าจิตเราไม่เจ็บอย่างที่ท่านว่ามันไม่เจ็บยังไงร่างกายเจ็บแท้ที่จริงร่างกายก็ไม่ได้เจ็บร่างกายเป็นรูปธรรมรูปธรรมไม่เจ็บแต่ว่าโดยด้วยเหตุที่ว่ามีผู้รู้เข้าไปรู้ว่ากายเจ็บ ด้วยเหตุที่เรามีอุปาทานในกายเรายึดกายพอกายเจ็บจิตด้วยเหตุที่จิตยึดกายจิตก็เจ็บไปด้วยด้วยเหตุที่กายเจ็บเจ็บจิตก็เจ็บไปด้วยด้วยสายใยแห่งอุปาทานอุปาทานคือยึดเอาความสําคัญอยู่ที่ว่าเรายึดเอาเพราะอะไรเกิดขึ้นปั๊บเรายึดเอาอะไรเกิดขึ้นปั๊บเรายึดเอา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนามธรรมถ้าเรายึดเอาถ้าเรายึดเอาอะไรเกิดขึ้นยึดเอาอะไรเกิดขึ้นยึดเอาเป็นกิเลสทั้งนั้นเป็นตัณหาทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วอะไรเกิดขึ้นทราบแล้วก็ปล่อยอะไรเกิดขึ้นทราบแล้วก็ปล่อยอะไรเกิดขึ้นทราบแล้วก็ปล่อยเราลองหัดพิจารณาและสังเกตสังกาแล้วเราจะเห็นอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ อันนี้เราพูดถึงเราพูดถึงการเจริญการเจริญสติสติที่แท้จริงที่ท่านพูดถึงในหลักมหาสตินในหลักอริยมรรคนั้นคือสติที่เป็นไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมเราไม่เห็นท่านพูดถึงว่าเราขับรถเราใช้สติระมัดระวังซ้ายขวาเดินข้างหน้าถอยหลังท่านไม่ได้พูดถึงเราทํางาน ทำกับข้าวทำอะไรต่ออะไรหันนน้นหันนี้ล้างถ้วยล้างจานล้างอะไรเราก็ใช้สติท่านไม่ได้พูดถึงเพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเหตุให้เราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเกิดความเบื่อหน่ายเพราะมันเป็นการเอามาใช้ประกอบความเป็นอยู่คือเอาจิตใจ ทำนูนทำนีำ้เพื่อเอามาเลี้ยงกายเพราะเราเกี่ยวข้องกับกายเราต้องเราต้องเลี้ยงกายแท้ที่จริงจะพิจารณา้เกิดความเบื่อในอย่างแท้จริงจะต้องพิจารณาร่างกายพิจารณาตัวเวทนาพิจารณาตัวจิตพิจารณาตัวธรรมพิจารณากายเวทนาจิตธรรมอันนี้คือมหาสติที่ท่าเรียกว่า ที่จะเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินี่เป็นองค์เป็นองค์ของสติเป็นองค์ของสมาธิสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสามอย่างนี้ประกอบเป็นองค์ของสมาธิเพราะงานนี้มันเป็นงานข้างในเกี่ยวข้องกับใจยิ่งพิจารณาอยู่ในบทธรรมบทใดบทหนึ่งก็ตามจิต ของเราก็มีความสงบแล้วก็มุนอยู่กับบทธรรมบทนี้ไม่สอดแทรกทายแสไปที่อื่นก็ทำให้เราเกิดความรอบรู้สว่างโรอยู่กับงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยสัมมาสัมมาสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิในอริยมรรคยงแปดนั่นเป็นสมาธิชอบเป็นสัมมาสมาธิชอบ สมาธิชอบในทีนี้เป็นสมาธิที่ประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยอาตปะก็คือความเพียร น, นั่นแหละคือสัมมาวายามะสัมมาสติกับสัมมาสมาธิมันจะประกอบกันทั้งสามอย่างนี้ที่เรเรียกว่าสัมมาสม า, สมาธิเป็นสมาธิที่ประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมพัญญะประกอบไปด้วยอาตปะคือความประคับประคอง ความประคับประคองไม่ให้ไม่ให้ผู้รู้ดับเงียบหายไปมีความรู้มีความมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดที่ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิไม่เป็นสมาธิหัวต่อเหมือนเราหลับหายเงียบไปเลยแบบนั้นเป็นสัมมาเป็นสมาธิหัวต่อไม่ใช่สมาธิในอริยมรรคมีองค์ป ไม่สามารถจะามาพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยแห่งกองทุกข์ตั้งหลายทั้งปวงได้นี่คือหลักของศีลในอริยมรรคมีองค์แดของสมาธิในอริยมรรคมีองค์แดและของปัญญาปัญญาก็เป็นเครื่องอบรมให้เกิดความรอบรู้เป็นเครื่องอบรมให้เกิดความรอบรู้ในหลักท่านก็พูดถึง ท่านพูดถึงปัญญาก่อนสัมมาทิฏฐิเน่ยเห็นชอบสัมมาสังกประดําริชอบเียนนะอาริยมรรคมีองค์แปดสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นหลักนะเราพูดเป็นหลักๆใ ห, ให้ให้ฟังเอาไว้ว่าหลักทั้งหมดนี้เป็นหลักคืองานที่เราจะต้องทําไม่ใช่พอนั่งภาวนาปับ๊บเราก็นั่งปล่อยใจปล่อยใจไม่มีอะไรยึดไม่มีอะไรเกาะเป็นใจที่ขาดขาดหลัก ขาดเชือกขาดสิ่งผูกมโนใจล่องลอยไปที่ไหนเราก็ไม่ทราบไม่มีไม่มีงานทำในเมื่อเราปล่อยใจไม่มีงานทําผลที่จะพึงปรากฏในใจมันก็ไม่มีหรือบางทีเอาใจไปประกอบเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พานึกผิดคิดผิดสําคัญผิดเข้าใจผิดเป็นเรื่องของกิเลสมาสวมรอยทั้งหมดผลที่เราพึงประสงค์มันก็ไม่มีโอกาสที่จะเราจะได้ประสบพบเห็นแหละ สัมมาสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบทิฏฐิแปลว่าความเห็นสัมมาแปลว่าชอบเห็นยังไงเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปอันนี้คือสัมมาทิฏฐิอย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ เห็นว่าทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปทาสิ่งใดเป็นเหตุเอาไว้ย่อมได้รับผลจากสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุพาให้เราเชื่อกรรมว่าทําดีได้ผลได้รับผลดีทําชั่วได้รับผลชั่วความสุขความทุกข์ที่เราจะพึงได้เราพึงได้จาก การกระทำเหตุของตัวเองที่เราว่าทำเหตุดีเราก็ได้รับความดีตอบทำเหตุไม่ดีก็ได้รับความไม่ดีตอบนี่จะเรียกว่าเห็นชอบเห็นชอบก็คือเห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรมเช่อนอย่างทานองคลองธรรมท่านพูดเอาไว้ว่าไงท่านบอกว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยรูปธรรมกับนามธรรมนามธรรมเป็นส่วนจิตใจรูปธรรมก็คืออัตภาพร่างกายแม้เห็นแค่นี้ก็ ชื่อว่าเห็นชอบเห็นชอบว่าเรามีกายและก็เรามีใจแล้วในกายของเราในใจของเราเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนเหมือนกันกันกบสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจเช่นนี้ขนาดนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นว่าทําดีได้ดีเห็นว่าทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปทํกทากุศลได้กุศลทําอกุศลได้อกุศล นี่เป็นเรื่องของของการทำความเห็นให้ถูกต้องทำความเห็นให้ชอบรวมไปถึงทำความเห็นให้เหตุให้เห็นเหตุเหตุเห็นเห็นทุก์เห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นนิโรธคือความดับทุกขแล้วก็เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขที่เรียกว่าเห็นหลักตามหลักอริยสัจทั้ง4ี่ เราก็เห็นสามัญลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีอยู่ในกายนี้ที่มีอยู่ในจิตนี้การทําความรู้ความเห็นให้เห็นไปตามหลักธรรมเหล่านี้ท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเห็นชอบแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นยังไงเห็นว่าทําบุญไม่ได้บุญทําบาปไม่ได้บาปทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้คนจะได้ดีได้เองนะ คนจะได้บาปได้เองคนจะได้บุญได้เองคนจะถึงที่เจริญที่เองไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้ท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิพ่อไม่มีบุญคุณแม่ไม่มีบุญคุณนะพระพุทธเจ้าไม่มีบุญคุณอืแผ่นฟ้าอ่พระเจ้าแผ่นดินไม่มีบุญไม่มีคุณคนที่ทําคุณกับเราใครก็ตามไม่มีบุญไม่มีคุณผลจากกัน เส้นสวงบูชาไม่มีนี่พรุนี้นปฏิเสธหมดเอาความตีบตันภายในใจข อ, ของตัวเองไม่มีสติไม่มีปัญญามาพิจารณาแล้วก็ปฏิเสธที่ะเรียกว่าเห็นผิดมิจฉาทิฐิเห็นผิดความเห็นที่ร้ายแรงที่สุดก็คือมิจฉาทิฐิมันจะทำํำให้เราห่างความจริงไปเรื่อยความจริงไปเรื่อเป็นโูกสมุนเป็นบ่อยของกิเลสตลอดกลับตลอดกัน ไม่มีโอกาสที่จะรู้สึกเนะื้อรู้สึกตัวว่าทํานี้ได้ดีทําชั่วด้ชั่วทําบุญได้บุญทําบาปได้บาปชอบทําอะไรตามใจตามต้องการเวลามีสิ่งใดมาขัดข้องหัวใจไม่ได้ตามใจหวังไม่ได้ตามใจต้องการก็ขัดเคืองขึ้นมาเากลียดกราดโมโหโทโสถึงข้าถึงแกงถึงอะไรก็กเปลี่ยนได้นี่คือมิจฉาทิฐิเรา ไปดูในทิฏฐิ60กว่าทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้านายพระไตรปิฎกท่านพูดเอาไว้อยู่ทั้ง60กว่าทิฏฐินั่นแหละเป็นเหมือนตาข่ายเป็นเหมือนคอกเป็นเหมือนตาข่ายเป็นเหมือนกรงขังจิตของพวกเราเอาไว้เอาไว้ในโลกไม่ให้เราเล็ดลอดออกไปจากโลกเพราะฉะนั้นบรรดาทิฏฐิบรรดาเจ้าลัทธิ บรรดาทิฏฐิทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมีขึ้นในโลกนี้ไม่เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องของทิฏฐิของคนที่ใช้ความนึกความคิดสอดแทรกไปตัดความผิดความเห็นของตัวเองเป็นไปต่างๆนานาเราเห็นพิธีกรรมแต่ละาาศาสนาจะไม่เหมือนกันศา ส, าสานานั้นประกอบอย่างนั้นศาสนานี้ประกอบอย่างนี้ที่เเรียกว่า ลัทธิศาสนามันจะแตกต่างไปตามความคิดเห็นแต่ถึงจะคิดเห็นไปยังไงก็ตามก็อยู่ในขอบในข่ายในกรงของทิฏฐิทั้งห2สิบสองนั่นแหละที่ท่านพูดเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านท่านจึงทรงตรัสว่าพระองค์ถ้าเปรียบเสมือนไก่ตัวพี่ที่สามารถเจาะกระปาะไข่เจาะกลากระลาฟองไข่นั่นนะเจาะออกมา นอกไขได้เป็นเป็นตัวแรกเป็นคนพี่ออกมาถึงจะได้รู้โอ้เราถูกขังอยู่ในกรงกว่าเราจะเจาะออกมาจากกรงได้เพราะฉะนั้นความเห็นของพระองค์จึงเป็นความเห็นที่ถูกต้องดีงามได้ได้นได้พระนามว่าสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบการตรัสรู้เองโดยชอบของพระองค์ก็คือมันมาเข้าหลักของเหตุของผลนี้เอง หลักของเหตุของผลก็คือหลักอริยสัจ4ี่เราย้อนเอาไปดูสิหลักอริยสัจทั้ง4ี่ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผลมาจากเหตุเหตุที่จะเรียกว่าสมุ ท, ทยัยสมุ ท, ทยัยสมุทัยตัวนี้ถ้าเราจะชี้ให้ชัดลงไปก็คือตัวตันหาการมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาตันหาพูดให้ชัดเจนเข้าไปอีกคือความอยาก ความดิ้นรนความทะเยอทะยานอยากของจิตเราดูไปที่จิตของเราเราจะเห็นความดิ้นรนความทะเยอทะยานอยากนี่ตัวนี้แหละเป็นตัวสมุทัยพาเราดิ้นรนและเราไปสร้างนัง้นเราไปสร้างนีง้เ ร, เราไปทำนั้นเราไปทำนี้ตัวนี้แหละเป็นตัวตัณห า, าเมื่อเรามีตัณหาอย่างไรจิตผูกพันกับสิ่งใดอย่างไรมันก็จะส่งผลให้เราได้ไปประสบพบเห็นได้เกิ ด, ไ ด, กดได้เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้น จะเป็นเฉพาะรูปธรรมจะเป็นเฉพาะทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเหมือนอย่างที่ท่านพูดถึงว่ากําเนิดของสัตว์มีขันห้าก็มีมีขันหนึ่งก็มีมีขันสี่ก็มีเนี่ยขันห้าก็คือพวกเราอย่างพวกเราในขันห้ามีรูปรูปประขันมีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและมีวิญญาณขันนี่เรามาเกิดในโลกมนุษย์เรามีขันทั้งห้า ที่มีขันหนึ่งก็เช่นอย่างพวกพรมที่มีแต่รูปไม่มีนามแต่อาศัยว่ากําเลี้ยงเอาไว้ไม่มีนามมีไม่มีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งมาปกป้องรักษาตัวเองเหมือนอะไรล่ะเหมือนผลไม้หมากไม้อะไรที่มันออกมากออกผลอะไรอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้คือพรมมีแต่มีแต่ขันหนึ่งแล้วพรมบางอย่างพวกมีแต่ขันสี่ เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มีแต่นามขันธ์ไม่มีรูปขันธ์เนี่ยศัพว์ทั้งหลายทั้งปวงไปอบัตเกิดตามผลกรรมของตัวเองเป็นไปตามผลกรรมของตัวเองอันนี้คือตัณหาตัณหาพาเรายึดพาเราเกาะพาเรากเกี่ยวพาเราผูกพันรูปธรรมเป็นผลเป็นวิบากกรรมมาจากตัณหา รู ป, ปรธรรมเนี่ยนะนามธรรมนี่ได้รับผลทันทีนะได้รับผลในปัจจุบันและจะได้รับผลสืบเนื่องไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแต่รู ป, ปรธรรมนี้ก็ทําให้เราได้ไปอุบัติในภพนุนในภพนี้ตามบุญตามกรรมที่จิตมันสร้างมันทำผู้ทีเจ้าท่านพิจารณาหมุนเข้ามาหาหลักเหตุกับผลพิจารณาไปพิจารณาไปเข้าหลักปฏิจจสมุปบาท ก็ไล่กลับไปไล่กลับมาถอยกลับไปถอยกลับมาไล่ไปไล่มาถอยไปถอยมาเป็นเหตุให้อาสวกิเลสภายในพระทัยของพระองค์เนี่ยหมดสิ้นไปได้อาสวกิจยานเกิดยานความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งว่าพระองค์นี่สิ้นอาสวกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแล้วนี่พระองค์จึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทธะนี่มันเป็นไปจากสัมมาทิฏฐิทั้งนั้นแหละ สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิตรงกันข้ามกับมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาสังกปรหรือสัมมาสังกปะนี่ก็เป็นองค์ของปัญญาสัมมาทิฏฐินี่ก็เป็นองค์ของปัญญาสัมมาสังกปรเป็นองค์ของปัญญาสัมมาสังกปรคือดําริชอบเห็นชอบดําริชอบ คำ ว, ว่าดัมเิก็คือจิตนึกคิดดําริติตรองใคร่ครัวนั่นแหละ ท, ที่เรียกว่าดํารบลิชอบดําริชอบคือดํารบลิไม่พยาบาทดําริไม่เบียดเบียนดําริออกจากกามนี่ดําริออกจากกามเป็นความดํารบลิชอบเพราะกามทั้งหลายมันผูกพันเรากามก็คือตัณหานั่นแหละตัณหาก็คือกามกามก็คือตัณหาที่ท้าเรียกว่า กา ม, ามตัณหากามตัณหาตัณหาคือกามมันเกิดขึ้นเวลาจิตมันใคร่มันกำหนัดมันก็เป็นกามตัณหาที่เกิดขึ้นภายในจิตตัณหากามตัณหาความกำหนัดภายในจิตทำให้เราทำให้เราดัาริอย่างนั้นดําเริอย่างนี้นึกอย่างนั้นนึกอย่างนี้ทีนี้ดําริชอบคือดําริออกจากกามดําริออกจากกามก็คือ อยากให้กายออกจากกามอยากอย่าให้จิตออกจากกามเครื่องมือของกามทั้งหลายทั้งปวงก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑธรรมรมนี่ท้าเรียกว่าเครื่องมือของกามเป็นเครื่องมือของกามหรือท้าเรียกว่าวัตถุกามตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เป็นวิสัยของกันและกันทํารีออกจากกาม เพราะฉะนั้นการดํารีออกจากกรรมจึงเป็นเรื่องของปัญญาโดยเหตุที่เรามีการนำหลีออกจากกรรมเราจึงมีการออกบวชเมื่อเราออกมาบวชแล้วบวชเป็นพระเนรเทนชีก็ตามก็ถือว่าเราดําริออกจากกรรมเราพยายามเอากายของเราออกจากกรรมเมื่อเราพยายามเอากายออกจากกรรมแล้วเราพยายามเอาจิตออกจากกรรม เราสามารถเอาจิตออกจากกามได้ไหมการที่เราสามารถทําจิตออกจากกามได้ก็คือเราพยายามทําให้จิตของเราไม่อยู่ในวิสัยของรูปของเสียงของกลิ่นของรสผลิตภัแฑ์ธรรมารมณอันเป็นเรื่องของกามให้จิตดวงนั้นอยู่อย่างเอกเทศคือสามารถทําให้จิตสงบเป็นสมาธิมีอารมณ์อันเดียวแน่วแน่อยู่นันติ ว, ว่าสามารถเอาจิตออกจากกามได้ เราเอากายออกจากกามแล้วก็ตามเช่นอย่างเรามาอยู่วัดน่แต่ถ้าหากเราไม่สามารถเอาจิตออกจากกามได้ก็จิตดวงนี้แหละมันพาเราทุกข์ร้อนนะทีนี้ถ้าเราคิดในแง่กลับกันตรงกันข้ามเรายังไม่ได้เอากายออกจากกามเราอยู่บ้านอยู่ช่องนั่นแหละแต่เราสามารถเอาจิตออกจากกามได้โดยเหตุที่เราหามุมสงบ ทำจิตให้ได้รับสมาธิทําให้จิตได้รับความสงบจนจิตทิ้งรูปเสียงกฤฤฤฤฤิริยตโพธะธรรมารมณ์แน่วแน่อยู่กับอารมณ์เดียวจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิทีไรเมื่อไหร่นั่นแหละคือจิตออกจากกามอา่าถ้าเราทําได้อยู่อย่างนี้กับผู้ที่ออกเอากายออกจากกามมาแล้วแต่ไม่สามารถทําได้เราได้เปรียบกว่าเพราะอะไรเราไม่ได้เอากายออกจากกาม แต่เราสามารถเอาจิตออกจากกามได้เพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุธรรมโดยที่ยังเป็นคราวาสอยู่จึงสามารถมีได้เป็นได้เพราะราะฉะนั้นธรรมะการเข้าถึงธรรมะนั้นขึ้นอยู่กับจิตถ้าเราสามารถเอาจิตออกจากกามได้ธรรมะพร้อมที่จะเกิดขึ้นในใจของเราได้ ผู้ที่ได้คุณธรรมพระโสดาพระสะกิทาคาพระอนาคาจึงมีสมัยหลวงปู่มั่นก็มีสมัยพุทธกาลก็มีครว่าที่เป็นเป็นพระพระอนาคามีอย่างเงี้ยพระสะกิทาคามีนะอนาถบิณฑิกานี่เป็นสกิทาคามีพระโสะดาบันเช่นอย่างนางพิสาขาเงี้ยเป็นพระโสะดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดเจ็ดปี เป็นวัสดาวันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบอนาถาปิณฑิกาเศษฐีได้พระสกิทาคามีกิตตะคือหบดีอย่างเงี้ยได้พระอนาคามีเพราะนี้ยังไม่ได้บวชเท่านั้นแหละยังเป็นคราว่าต์อยู่พระเจ้าสุทโธชนะนี่เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์พอบรรลุพระอรหันต์ปับ๊บก็เข้าสุนิพานคือตายเลยดับเลยดับขันเข้าสุนิพานทันทีเลยเนี่ย ยังไม่ได้บวชยังเป็นครว่าต์อยู่พระภายะฟังธรรมยังไม่ได้จบหนึ่งคาถาเนี่ยได้เป็นพระอรหันต์ทันทียังไม่ได้บวชไปแสวงหาผ้ามาเพื่อที่จะบวชไปถูกบัวซึ่งเป็นซึ่งเป็นเวนเป็นภัยกันถูกยักษ์ศรีมาสิงบวับวบัวเลยมาชนตายท่แต่ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ในประวัติเขาก็เรียกท่านว่าเป็นพระเป็นพระ แท้จริงยังไม่ได้บวชนี่เราพูดถึงว่ากระหัตก็สามารถทำทำเป็นไปได้สามารถเอากายออกจากกามได้เอาใจออกจากกามได้แท้ที่จริงเมื่อใจออกจากกามได้มันก็เป็นเหตุดึงกายออกจากกามได้นี่เราพูดเพื่อเพื่อให้กราวาดญาติโยมเราได้ยินได้ฟังแล้วว่าเราก็มีโอกาสที่จะตั้งใจปฏิบัติให้เกิดมีคุณธรรมในใจได้อ่า ไม่มีอะไรมาขีดมาขั้นหรอกเรื่องศิน5้าสินแปดสินสิบสินสนะองรเกนั้นมันเป็ น, ปนมันเป็นเพศที่ท่านกําหนดออกมาเป็นอย่างๆเพราะว่าการกําหนดเพศแต่และอย่างมานี่มันจะทําให้ความเป็นอยู่ของเราจะแตกต่างกันเช่นอย่างศินห้าเนี่ยเราอยู่บ้านครองเรือนได้ศิน8ดเราอยู่บ้านครองเรือนได้แต่ว่าก็ได้ไปประเภทศิน8 แล้วก็อุโบสถนี่ก็ได้เป็นการเป็นคราวเช่นอย่างเรามารักษาอุโบสถวันหนึ่งกับคืนหนึ่งสัมเนธเนี่ยพระนี่ต้องออกจากบ้านมาแล้วก็มาอยู่รักษาศีลละเอียดมากเข้าไปอีกเพราะศีลศีลมากมายเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของประสงค์ท่านไม่ได้ธมากินไม่ได้ธมาค้าขายซื้อถูกขายแพงเพื่อได้เอาสิ่ง เอาผลต่างนั่ น, นมาใช้มาใช้เพื่อความเป็นอยู่ท่านจึงมันหยัดไปแตกต่างกันนี่เราพูดถึงอะไรเราพูดถึงสัมมาสังก ป, ปรดริชอบดําริออกจากกามดําริไม่เบียดเบียนดําริไม่พยาบาทดําริออกจากกามดําริไม่เบียดเบียนคาว่าไม่เบียดเบียนรวมไปถึงไม่เบียดเบียนคนไม่เบียดเบียนสัต ไม่เล่นสนุกกับกับสัตว์เช่นอย่างเล่นไก่ชนเงี้ยชนนกชนปลาเล่นม้าเงี้ยที่ท่นเรียกว่าหาความสุขให้กับตัวเองที่ว่าเบียดเบียนสัตว์อื่นคนอื่นแม้แต่เล่นมัดเล่นมวยนี่สนุกจนติดเนี่ยนี่ก็เป็นการเบียดเบียนกันเหมือนกันการเบียดเบียนขึ้นชื่อว่าไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีเพราะจิตมันชอบ จิตมันชอบเป็นเวรเป็นภยัยเป็นกรรมจริงๆบางคนเนี่ยชอบอย่างนั้นแหะชอบไก่เลี้ยงไก่ไก่ชนเลี้ยงปลาเลี้ยงปลากัด เ, เลี้ยงนกเลี้ยงนกต่อนี่ถ้าเรียกว่าเบียดเบียนดำริเพื่อเบียดเบียนหาความสุขใส่ตัวแต่ว่าเบียดเบียนเขาดำริในความไม่พยายามไม่ปองร้ายไม่เบียดเบียน และที่สําคัญก็คือดําริออกจากกามทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่จะทําให้เราพิจารณาซ้ำๆซ้ ำ, ำแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าทําให้เราเห็นช่องเห็นช่องเห็นทางแล้วก็ออกมาได้นี่เราพูดถึงหลักข้อประพฤติปฏิบัติทั้งหมดเป็นมักเป็นเครื่องอบรมบ่มเพาะนิสัยของเราไม่ใช่เราอยู่เฉยๆแล้วสิ่งนุ้นจะเกิดสิ่งนี้จะเกิดเกิดไม่ได้ดอกเพราะ เราไม่ได้สร้างเหตุแต่ถ้าหากเราทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ทําไปทําไปทําไปเหมือนอย่างที่เรามาอย่างเงี้ยมารักษาศีลมาตั้งใจทําวัดมาตั้งใจสวดมนต์มาตั้งใจภาวนา ม, มาตั้งใจพิจารณาบทธรรมบทนั้นบทนี้ชื่อว่าเป็นการสร้างเหตุเป็นการสร้างเหตุแล้วก็บุญทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นตามนี้แหละบุญทั้งหลายทั้งปวงใดจะเท่าการมาชําระขัดเกลาจิตของตัวเองให้สะอาดให้บริสุทธิ์ ให้ผ่องใสด้วยความสงบด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานะบุญที่เราสามารถชำระขัดกล่าวได้นี้แหละจะเป็นพื้นเพจะเป็นจริตจะเป็นนิสัยตายแล้วไปด้วยกันไม่ต้องทิ้งไว้ในโลกนะเราไปเกิดขึ้นอีกจริตนิสัยเหล่านี้จะไปเป็นพื้นเพให้กับเราได้เป็นอย่างดีมีการอบรมมักอีกก็จะทําให้เราเห็นง่ายขึ้นอนะ จนถึงกับเห็นอาจเห็นทำได้ง่ายขึ้นแต่าเราจะเทียบกับอีกคนหนึ่งเดินทางไปแล้วกับอีกคนหนึ่งกลาลังจะเริ่มเดินทางผลมันก็ห่างกันคนละโลกนั่นแหละไอ้คนหนึ่งได้เอาได้เอาอคนหนึ่งอ ด, อดเอาอดเอาแห้งเอาแห้งเอาอย่างงี้มันก็เริ่มต้นจากการตั้งใจกับการไม่ตั้งใจเกิดขึ้นจากการมีโอกาสการไม่มีโอกาสมันเกิดขึ้นจากสิ่งต่งตางๆเหล่านี้แหละ พวกเราได้ยินได้ฟังสิ่งทั้งหลายนี้ก็เป็นข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคให้เกิดผลในหัวใจของเราทั้งนั้นเราสามารถรักษาสิ่งใ้บริสุทธิ์ได้ไหมตามองค์นั้นๆเราสามารถรักษาได้เราสามารถเจริญสมาธิให้จิตได้รับความสงบอยู่กับอารมณ์เดียวได้ไหมตั้งใจทำสามารถเกิดได้เราสามารถพิจารณาเกิดความรอบรู้ ตั้งแต่พื้นๆไปจนถึงละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าตามหลักตามที่พระพุทธเจ้าท่าน ส, สอนไว้ได้ไหมสามารถทำได้พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกท่านจึงจามาบอกมาสอนต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นี่ก็เป็นเหตุให้เรามีโอกาสเป็นเหตุให้เรา เป็นเหตุให้เราได้มีกระจิตกระใจที่จะสร้างจะจัดจะทําไปตามท่านเพราะเราตั้งใจทําแล้วเกิดบุญเกิดกุศลในหัวใจของเราบุญกุศลนี้แหละจะช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้ประสบความสุขความเจริญอย่างแท้จริงได้ทั้งในอัตภาพนี้และทั้งในอัตภาพเบื้องหน้าส่งเราไปสู่สิ่งพบชาติที่ดีที่สูงที่ละเอียดที่ประณีตขึ้นไปโดยลําดับขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจ ขอทำทั้งหลายทั้งปวงจงบังเกิดขึ้นตามความมูมาตปรารถนาของเราด้วยการทุกทุกคนทุกท่านจบเอวัง